นะทีนี้ในขณะเดียวกันนะั้นทเป็นเหมือนสันโดดนะฉันไม่สนใจหดอกบุญประเภทให้ทานนะฉันเอาภาวนาโน้ยกันนะนะที่ไหนไดไม้มีอะไรจะให้นั่นเองนะทําเหมือนกับว่าที่ไหนมีไรโรคเที่ยที่โม้ไปอย่างงั้นแหละมันทานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเป็นตัวที่อุปการะเกื้อกูลเนี่ยนะเป็นตัวที่กเกื้อกูลทําให้ชีวิตรุ่นร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเนะนะี่ยนะก็อย่างว่ามันอยู่ด้วยผลบุญจริงจสัตว์โลกเลย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 นะถ้าเป็นคนมีศีลการให้นั้นก็เป็นการให้ที่มีผลมากและมีอา น, นิสงส์มากของที่ให้ถ้าได้มาโดยอาชีวะปาริสุทธิศีลก็เป็นของที่มีผลมากอา น, นิสงส์มากแม้แต่ผู้รับเนี่ยนะก็ถ้าจะรับทานก็ผู้นั้นก็จะมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากนี้ต่อไปแล้วส่วนศีลตัวศีลเองดียังไงทำไมจึงยกคุณภาพให้ทานนั้น่ะเป็นทานที่มีผลมากมีอา น, นิสงส์มาก นะคุณานุภาพของศีในยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเขาบอกว่าผู้มีศีลถ้ายิ่งมีศีลเท่าใดให้ทําบุญให้ทานยิ่งมีผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนบอกอู้หาพระที่เป็นนาบุญทําดียากเหลือเกินบอกคุณแต่งตัวคุณเองให้มันทำบุญให้มากๆอย่างกระถามกันถามว่าภาษาดิบุตรให้ทานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ทานกับภาษาดิบุตรใครได้บุญมากกว่ากันพระพุทธเจ้าให้ภาษาดิบุตรได้บุญมากกว่าเพราะว่า บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ศรัทธาบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ปัญญาบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ศีลพระทั้งผู้ให้มีศีลอย่างเช่นพระเวสสันดรบุญท่านก็ไม่น้อยนะเพราะท่านเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะอันผู้ที่มีศีลเนี่ยนะปรารบศีลของตัวเองแล้วก็บอกว่าเพื่อประดับศีลให้ศีลมีคุณค่านะเพื่อชำระ จ, จิตให้ปราศจากความเศร้าหมองการให้เหล่านั้นก็จะเป็นการให้ที่มีผลมากมีอ น, นิสงส์มากและขณะเดียวกันเนี่ยศีลก็มีประโยชน์อย่าง มากเพราะศีลนี้เป็นที่พึ่งอนนะที่พึ่งอื่นเช่นด้วยกับศีลไม่มีรอกสมมตินะเอา้าถ้าเราไม่ได้รักษาศีลข้อที่หนึ่งมาดีเนี่ยนะเขาไม่ฆ่าเราก็ตายบ้านเมืองไม่ต้องมีสงครามรบแผ่นดินมันถล่มมาทับตายเองแหละเนี่ยนะใช่ไหมอย่างประเทศบางประเทศตอนนี้โอ้โหบางประเทศไม่ต้องยกเครื่องบินอะไรไปตีทับหรอกแผ่นดินมันก็สุดทับตายเองแหละฟังกันเถอะเพราะถ้าศีลไม่ดีเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตายเพราะอะไรเพราะว่า ศีลเนี่ยเ ป, เป็นเหตุให้ชีวิตมีอายุยืนยาวศีลข้อที่1น่นะเป็นเหตุให้อายุยืนยาวศีลข้อที่สองเป็นเหตุให้ทรัพย์ศิลอยู่รอดและปลอดภยัยศีลข้อที่สเป็นเหตุให้ไม่มีคู่เวรและไม่มีศัตรูเนี่ยนะไม่มีคนรังเกียจเดียดฉันศีลข้อที่สีก่ก็ทุกคนก็พูดไัเราะ กับเราพูดแต่คำสัตย์คำจริงเป็นต้นกับเราสี่ข้อที่5เป็นเหตุให้มีสติและมีปัญญาให้เป็นผู้ที่ถึงความเฉลียวฉลาดเนี่ยนะก็ทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาเพราะนนั้อะไรจะดีหนึ่งชีวิตอายุยืนสโภคะยั่งยืนสมไม่มีศัตรู 4. ี่ทุกคนพูดเรากับเราดีหมดเลย 5. ฉลาดอะไรจะวิเศษเท่านี้อีกแล้วเนี่ยนะมันชีวิตใครได้ขนาดนี้ก็เป็นชีวิตที่พิเศษแล้วเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์แล้ว เพราะศีลเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงอะนะช่วยนะนะไม่ต้องมีองค์ครรภ์มาปกปักรักษาก็อายุยืนยาวถ้ารักษาศีลไวด้ดีแต่ถ้าหมดบุญเมื่อไหร่ก็อย่างว่าสำลักน้ําลายอย่างนั้นเถอะหนักๆเข้าที่ไหนได้สำลักน้ําลายเข้าห้องน้ําแล้วก็ลื่นแผลอย่างเงี้ยหมดสภาพเลยอย่างเงี้ยมันก็อะไวกุศาจอรถไปเปิดประตูรถยังวิ่งมาชนตัวเองตายเลยนะก็แล้วแต่บุญเหมือนกันนะถ้าอายุมันจะสั้นเนี่ยลำบากเงี้ย ที่เขาเล่าอะไอ้ตามถนนหนทางเนี่ยนึกถึงไปอินเดียนึกถึงไอ้แบบคนเขาไปนั่งถ่ายอุจระข้างทางนะเทเน้ถ้าไปถ่ายที่อินเดียเขายังชั่อถ่ายบ้านเราด้มีคนคนหนึ่งไปถ่ายอุจระอยู่ข้างทางแล้วรถมันสวนกันมาแล้วตกไปชนตรงนั้นพอดีเลยเป๊ะเลยนะบอโอ้ขนาดนี้ก็มียายคนหนึ่งก็นั่งตาหมากอยู่นั้นอะที่บ้านไอ้โดดร่มคนหนึ่งทหารโดดร่มโดดแล้วร่มไม่กางก็ตกใส่หัวยายตายอีกพะลุสังกรสีมาตกใส่หัวยายตายอีก มันก็อย่างนี้แหละนะก็เอาจนได้นะเอาจนชีวิตไม่รอดอย่างบางคนเนี่ยไม่ค่อยออกบ้านเลยนะวันดีคืนดีกวนกวายออกไปให้รถชนตายอย่างไงก็มีเพราะศีลเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับเกราะเป็นเหมือนกับที่พึ่งจริงจรฉะมันถ้ารักษาศีลไม่ดีเนี่ยชีวิตจะยืนยาวได้ยังไงทรัพย์สินจะยั่งยืนได้ยังไงจะไม่ให้มีศัตรูได้อย่างไรใครเนาะจะมาพูดดีพูดจริงกับเราแล้วก็ใครเนอที่แล้วเราปรสติปัญญา โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เพะนั้นถ้าเราถ้าทำยังไงให้ปัญญาของเราเฉลียวฉลาดนั้นก็การรักษาศีลเนี่ยช่วยให้เรามีปัญญานะีโดยเฉพาะศีลข้อที่ห้าเนี่ยนะไม่ติดสารเสพติดอะไรเป็นต้นก็เป็นเหตุให้ต่อไปก็สติปัญญาเฉลียวฉลาดเนี่ยนะนผู้ที่มีปัญญาก็สามารถมีชีวิตยืนมีโภคะยั่งยืนเป็นต้นเฉะนั้นปัญญาอาศีนเนี่ยสำคัญกับทุกเรื่องนะเจตนาที่เว้นจากความชั่วแล้วก็ คำว่าศีเนี่ยทั้งจารีตศีลด้วยนะรวมทั้งว่าถ้ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บำรุงและอุปถักเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุให้ได้รับความสุขและความเจริญก็บอกว่ายิ่งยิ่งทำบุญกับพ่อแม่ด้วยเนี่ยนะสมมติว่าผู้ที่มีพ่อมีแม่เนี่ยนะแล้วก็พ่อแม่ท่านบอกว่าพ่อแม่บางคนบอกอ๊ย พ, อพ่อพ่อแม่ฉันเนี่ยเลวเลวสุดๆเลยนะสรุปว่าเลวมากบอกว่า ท่านเลวขนาดไหนก็ช่างเถอถ้าฆ่าก็อนันตริยกรรมโทษก็เท่ากับฆ่าพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นศัตรูมาฆ่าเราแล้วเราฆ่าท่านตอบนะก็ฆ่าพระเท่ากับฆ่าพระอรหันต์อีกอยู่ดีเพราะเป็นอนันตริยกรรมเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ในฐานะใดก็ทั้งท่านก็คือนาบุญของเราเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในตําแหน่งอรหันต์ของเราผู้ที่อนะสมควรแก่เครื่องสักการะบูชาเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพ่อถ้าจะทําบุญเนี่ยนะ สมัยพุทธกาลก็มีมีคนพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยไปทําบุญกับพรุทธเจ้าพระองค์บอกว่าอ้าวเนี่ยทําไมไม่ทํากับพระอาจันย์ที่บ้านล่ะบอกที่บ้านไม่มีเอากับพ่อแม่ของเธออยู่อดอยากแล้วไงเพรา ะ, ะนันก็พ่อแม่นั่นแหละก็เป็นนาบุญชั้นดีแล้วเนี่ยนะทำไมยังนึกขงังเพราะว่าเขามาทําอะไรกับพ่อแม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวผลน่นะทำยังไงมันก็จะได้คล้ายๆแบบนั้นด้วยนะมันแปลกใจยังมีอยู่ปีหนึ่งมีคนคนหนึ่งเขาก็บอกอา้าวเขา อ, ออกทุนให้ไปทําบ้านให้พ่อท่านก็นแล้วกัน นะบอกว่าได้ข่าวว่าตอนนี้มันผุแล้วเราทั้าไปดูดูแลให้หน่อยแล้วกันเนะแล้วก็ไปไปดูแลพอทําบ้านเสร็จโยมเขก็ทํากุฏิตรงนี้ให้พักเลย <c oughs> แล้วก็ที่ที่อื่นเองนะบอกว่าปีนั้นมีกุฏิเกือบสี่หลังเนาะปีเดียวเหมือนกนะ <c oughs> นะตอนนั้นก็บอกว่าปีเดียวนะว่านะเพิ่งทําบุญเสร็จทางขนาะดแป๊บเดียวก็เอ้าแล้วแต่ผลบุญเหมือนกันนะถ้าหากว่าแต่ก็เชื่อนะว่าทํากับพ่อแม่นะทําอะไรก็ได้ ถ้าทําบาปกับพ่อแม่เดี๋ยวทําใจอีกเหมือนกันก็มาเลยรู้จักมีคนในคนหนึ่งพยายามโคดโกงสมบัติพ่อแม่ทุกกระบวนการในที่สุดเนี่ยนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่เขาบอกงั้นนะเที่ยวตรอนไปอยู่ตรงนั้นทีเที่ยวอยู่ทั้งทั้งที้เป็นคนที่เคยมีทรัพย์มากแต่หนักที่สุดเนี่ยเพราะความที่ทํากับพ่อกับแม่ไอ้ครูหยางโยมคนหนึ่งบางคนเนี่ยอู้สมัยเป็นวัยรุ่นสมัยหนุมน่มๆเล่นงานพ่อแม่ถ้าอ้วมออรทัยหมด อายุมากนะโอ้ลูกคือตัวเองทากับพ่อแม่คนเดียวใช่ไหมตัวคนเดียวแล้วลูกมาทํากับตัวอีกสี่หคนอย่างเงี้ยนะเพราะมีลูกสี่ห้าคนแต่และคนเนี่ยมาสร้างความเจ็บปวดให้ทุกคนเลยนะคูณ4ี่คูณหแล้วไม่ได้ทําวันเดียวเนี่ยมันทําทุกวันนะนะผัดหน้าเรียงหน้ากันมาทํากับตัวเองเพราะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยนะก็คือท่านอยู่แนตะเป็นฐานะเป็นพระหรันการปรนิบัติการอุปถาม ท, ท่านก็นับว่าเป็นศีลเป็นที่พึ่งเนี่ยนะ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 เราทํากับท่านก็เป็นบุญของเราทุกครั้งที่เราทําไป น, นะนะพูดอย่างนี้เราก็พยายามว่าทํายังไงจะทําบุญกับพ่อกับแม่แม้กระทั่งสายฝ่ายพระพิสุทั้งหลายก็เหมือนกันของเนี่ยถ้าเรามีให้คนอื่นอย่างบางทียังมีความผิดเลยเนะถ้ามีข้าวมีของบางอย่างนะให้ผิดคนให้ผิดเวลาให้ผิดรายให้แล้วยังมีความผิดนะไม่ใช่จะได้บุญนะเสียศีลต่างหากผิดพระวินัยต่างหากแต่กับพ่อกับแม่ไม่มีข้อยกเว้น ปกตินี้อาหารเนี่เข้ามาถวายถ้าพระยังไม่ได้ฉันเนี่ยให้ใครก่อนเนี่ยโดยรวมแล้วไม่ได้เว้นไว้แต่สละบอกว่าไม่เอาและปฏิเสธแล้วไม่เอาแล้วแต่บอกว่าหยิบไปเยี่ยวเที่ยวให้คนอื่นก็เรียกว่าทําศรัทธาไทยให้ตกอย่างเช่นว่าเอาโยมเอาของคนหนึ่งเอามาถวายคนหนึ่งเราก็ยื่นไปให้อีกคนหนึ่งเอาไปอย่างนงี้ย น, นะไอ้คนที่ให้ก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะก็เรียกว่าทําศรัทธาให้ตกเขาบอกงั้นพันนี้ก็เหมือนกันพันถ้าหากว่าแต่แบบกับพ่อกับแม่ท่านไม่ถือถือว่าไม่มีความผิดให้ได้เลยอะไร นั้นทางพระพิสุพระพุทธเจ้าเองก็ได้ข่าวว่าพระพิสุเลี้ยงดูพ่อแม่พระองค์ก็อนุโมทนาพระองค์ก็สรรเสริญเนี่ยนะยกย่องพระองค์ก็สนับสนุนด้วยซ้าไปเนี่ยนะสนับสนุนนั้นบินทบาทได้มาให้พ่อแม่ทานก่อนเหลือเท่าไร่ตัวเองค่อยฉันเนี่ยนะบางองค์ก็ทําอย่างนั้นบางองค์สมัยก่อนก็บอกว่า ไ, ไ, ไปได้ผ้ามาได้ผ้าอย่างดีไปให้พ่อแม่เอาผ้าเก่าพ่อแม่นั่นแหละมาเย็บมาย้อมแล้วก็มาใช้แทนเนี่ยนะก็ใช้ผ้าเก่าๆไปซึ่งไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยนะ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 ก็บอกว่าคุณเลี้ยงดูพ่อแม่ของคุณต่อไปเถอะมันดีที่สุดแล้วคุณไปบวชชีเดี๋ยวคุณไปนั่งช้าใจอยู่ที่วัดบอกเอ้ยพ่อแม่แล้วใครจะเลี้ยงอะไรเงี้ย น, นะทีนี้กะชีก็ไม่ใช่โยมก็ไม่เชิงอายูวัดก็ห่วงบ้านอายูบ้านก็ห่วงวัดมันครึ่งไม่รู้ว่าคนหรือพระกันหรือชีกันแน่นี่นนะมันก็ครึ่งชีครึ่งชาวบ้านไม่รู้มันเป็นอะไรกันไม่รู้เป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งอย่า น, นัจิตใจที่ว้าวุ่นอยู่อย่างนั้นแหละพั้นก็จารีตเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมาาากกขณะเนเเดีียววัน่่ร็แบงลส ก็บ่งเวลาจะเดียงดูพ่อแม่ขนาดถึงกั บ, บป้อนข้าวป้อนน้ำท่านมาละยี่สิสี่ชั่วโมงที่ไหนมันก็แบ่งเวลาออกมาได้เนี่ยนะก็แบ่งเวลาในการศึกษาพระธรรมได้ปัญหาว่าถ้าเราเห็นว่าศีลก็สำคัญพระธรรมก็สำคัญเราก็แบ่ง พระพุทธเจ้าสอนทั้งทานศีลและภาวนาทำยังไงจะได้ทั้งทานด้วยไม่เสียทานด้วยไม่เสียศีลด้วยไม่เสียภาวนาด้วยตัวไหนพอจะเจริญได้ก็จเจริญไปตัวไหนพอจะปฏิบัติได้ก็ทำไปตามกาละอันสมควรอย่าไปหาเหตุหาผลจนเครียก ว, ว่าไม่มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำขณะที่ให้ทานาอยู่ก็ห่วงภาวนาห่วงที่ไหนก็นไม่รู้ขณะที่ไปเจริญภาวนาก็กลัววไม่ได้ให้ทาน บางทีมาเรียนธรรมะก็ห่วงว่ามันได้ให้ทานไอ้ตอนให้ทานก็ห่วงเรียนธรรมะอุ้มเอายังไงกันแน่ก็แบ่งเวลาให้มันเป็นสิอะไรควรทําอะไรอะไรคร่อควรทําก่อนควรทําหลังวันหนึ่งท่านไว้ให้เวลาตั้งยี่ี่ชั่วโมงเลยนะมีเวลาให้ตั้ง24ชั่วโมงถ้ามีทำไม่ยากรองเนีย่ยนะมีศรัทธาจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ขณะเดียวกันก็แบ่งเวลารู้จักแบ่งรู้จักทบทวนพระพุทธเจ้าก็สอนว่าทานที่มีผลมากมีอนิสงส์มากก็คือทานที่ประกอบด้วยปัญญา การรักษาศีลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากก็เพราะรักษาศีลและประกอบด้วยปัญญาทําอะไรถ้าประกอบด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บริษัทอ่นานรอบรู้เข้าใจในหลายๆอย่างสิ่งนั้น่ทําแล้วไม่ผิดทําแล้วมีผลมากทําแล้วมีอา น, นิสงส์มากเลยนะแปลว่ากําไรดีว่างั้นเถอะทำในสิ่งที่ไม่ผิดทําในสิ่งที่ ไม่พลาดบางคนนะครัตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่สนใจไปทําอย่างอื่นพอพ่อแม่ตายไปทําท่าจะสํานึกบุญคุณเนี่ยนะก็เลยทําอะไรได้ครับเนี่ยไปคุยกับกระดูกรู้เรื่องไหมกระดูกจะไปอะไรเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเอาเอางี้ละกันให้พ่อแม่ตัดผมมาให้เราแล้วเราทําบุญกับผมท่านดูสิมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนันท่านสิ้นชีวิตไปแล้วแทบทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าท่านยังไงท่านไม่อยู่กับกระดูกแน่นอนใครจะไปอยู่กับกระดูกใช่ไหมสังเกตดูเราเนี่ยล้างเหงื่อล้างใครทิ้งไปแล้วเราไปอยู่กับเหงื่อใครไม่หรือ เราก็ไม่อยู่เพากระดูกทั้งหลายที่ท่านทอดทิ้งไว้กว็เหมือนกันนั่นแหละมันจะมีอะไรเหมือนท่านตัดผมทิ้งเอาไว้แล้วจะไปอะไรเพราะท่านเชื่อชีวิตไปแล้วจะไม่มีอะไรทั้งนั้น